ชีวิตนี่มันก็เหมือนการเดินทางนะการเดินทางนี่มันต้องมีจุดหมายปลายทางถ้าไม่มีจุดหมายปลายทางมันก็เรียกว่าการเดินทางไม่ได้นะชีวิตก็เช่นกันนะต้องมีจุดหมายถ้าไม่มีจุดหมายเนี่ยชีวิตมันก็เป็นไปอย่างเรื่อยเปื่อยบางทีมันไม่ต่างจากสวะที่ลอยไปตามน้ำสุดท้ายแต่กระแสน้ำจะพาไป แล้วที่ทำงานคือว่าคนที่ไม่มีจุดหมายของชีวิตเนี่ยถึงจุดนึงก็เกิดความสงสัยว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอยู่ไปทําไมตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกเคร้งคว้างการมีจุดหมายเนี่ยของชีวิตเนี่ยมันช่วยช่วยทําให้จะารว่าการดําเนินชีวิตเนี่ ย, ม, ยมันมีทิศมีทางก็ได้ แต่จุดหมายของชีวิตนี่มันคืออะไรสิ่งที่เรานับถือเป็นจุดหมายเนี่ยมันจะนำพาชีวิตของเราเนี่ยนะไปสู่ความสุขไปสู่ความถูกต้องดีงามหรือเปล่าอันนี้มัมขึ้นอยู่กับจุดหมายที่ถือว่าเป็นเป้าของชีวิตด้ย น, นะ สำหรับคนทุกวันนี้เนี่ยจุดหมายของชีวิตเนี่ยก็มักจะหนีไม่พ้นนะการมีให้มากหามาได้หามาให้ได้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองรายได้เดี๋ยวนี้ก็รวมไปถึงหุ้นสินทรัพย์ต่างๆต้องมีให้มาก มีให้เยอะเข้าไว้อย่างทนี่นักศึกษาหลายคนเนี่ยตั้งเป้าเลยนะเรียนจบแล้วทำงานจะต้องหาเงินให้ได้10ล้านนะก่อนอายุ30หรืออาจจะมากกว่า น, นั้นแม้กระทั่งคนที่เรียนหมอเนี่ยจนวไม่นอเนี่ยตั้งเป้าเลยว่าจะต้องได้เท่านี้เท่านี้ นะหลังจากทำงานไม่ได้สิบปีหรือเมื่ออายุ30เป็นต้น น, นี่เป็นเป็นค่านิยมเลยนะของผู้คนทุกวันนี้คือการมีมากๆหาไม่ได้ให้เยอะๆแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้หมายถึงเงินทองทรัพย์สิน แต่ยังรวมถึงชื่อเสียงคําชกยองสรรเสริญหรือว่าเรตติ้งนะต้องมีความเด่นความดังต้องแสวงหาความเด่นความดังให้มากๆมากอ ย, อย่างที่ไม่พอต้องมากกว่าคนอื่น ที่อยากจะมีมากๆหาไม่ได้ให้เยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะถือว่ามันเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จจะมีความสำเร็จได้เนี่ยก็เพราะว่ามี เ, เดือนๆเลิกเยอะมีรายได้มากๆอาจจะวัดด้วยราคาบ้า น, นที่ซื้อมา10ล้าน20ล้าน ร้อยล้านหรือจำนวนรถยนต์นะที่มีแล้วแต่รถคันก็ต้องราคาแพงๆพ่อแม่ก็วัดความสำเร็จของลูกนะด้วยตัวชี้วัดอันนี้เหมือนกันนะลูกคนไหนมีเงินเดือนมากหารายได้ไมาเยอะเนะี่ยก็ถือว่าสำเร็จประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า ลูกคนที่รับราชการเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะว่าเงินเดือนน้อยไรายได้ไม่มากแล้วมันไม่ใช่แค่มีเงินมีทองรวมถึงการมีข้าวของเครื่องใช้อย่างอื่นด้วยเครื่องเป็นหน้าตาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รถยนต์แก้วแหวนเงินทองควาว่ามากนะหรือว่าเยอะนะมันกลายเป็นเครื่องชี้วัดความสาเร็จแล้วก็เป็นเครื่องชี้วัดความสุขหรือว่าเป็นหมดหมายนะว่าถ้ามีมากเนี่ยก็จะมีความสุขมาก แต่ม่นช่ไมีอีกหลายปัจจัยหรือหลายเหตุผลนะที่ทำให้คนเนี่ยอยากจะมีมากๆเมาเท่าไหร่ยิ่งดีเนี่ยก็คือกลัวตกเทรนนะเทรนนี้เนี่ยมันก็วัดกันว่าใครมีมากกว่าแข่งกันแข่งกันอยู่ในทีนะโดยการโพสต์ทางเฟ e บุ๊ก หรือว่าโดยการอวดว่าใครมีข้าวของที่แพงกว่านาฬิกาโรเล็กซ์หรือว่ากระเป๋าสปายราคาเป็นล้านอันนี้แม้กระทั่งเด็กก็เป็นนะเพื่อนมีโทรศัพท์มือถือราคาแพงฉันก็ต้องมีบ้างมันเป็นการแข่งขัน ทุกคนถูกกระตุ้นให้เปรียบเทียบกับคนอื่นถ้ามีน้อยกว่าคนอื่นก็รู้สึกว่าสู้เขาไม่ได้น่าอับอายมีคุณค่าน้อยลงอีกส่วนหนึ่งก็ต้องการทำให้ตัวเองเป็นคนทันสมัย ต้องมีสินค้ารุ่นใหม่นะอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็รู้นะพวกผู้ผู้ผู้ผลิตพวกนี้โทรศัพท์มือถือนี่มีรุ่นใหม่ๆเนี่ยปีนึงก็หลายรุ่นเลยทีเดียวเสื้อผ้าก็เหมือนกัน ร, รองเท้าด้วยคนที่ไม่อยากตกเทรนด์น ะ, ะก็ต้องหาตะเกียรตะกาย หาซื้อของรุ่นใหม่หรือว่าของแบรนด์เนมมีแล้วก็มีอีกพอที่มีนั่นมันตกรุ่นไปแล้วเราก็ต้องมีรุ่นใหม่ไม่ให้น้อยหน้าใครอันนี้มันเป็นความกดดันนะแตนทั้งความกดดันแล้วก็สิ่งกระตุ้นเราให้ผู้คนนี่ต้องมีมากๆ คำว่ามากเยอะมันจึงกลายเป็นเป็นมนเลยนะเป็นมนตราเลยนะของผู้คนในยุคนี้กลายเป็นคำตอบที่ไม่ต้องคิดอะไรมากขอให้มีมากเข้าไว้มีให้เยอะเข้าไว้แต่สุดท้ายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะหลายคนก็พบว่าชีวิตนี้มัน เหนื่อยล้าสับสนเพราะว่าต้องตะเกีตะกายไม่ใช่แค่ตะเกีตะกายให้มีเยอะให้มีมากแต่ว่าจะต้องยายานไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาทะยานไปข้างหน้าไม่พอนะต้องไต่ให้สูงกว่าคนอื่นให้มีมากกว่าคนอื่น เดีย๋ยวนี้เราพราผู้คนเนี่ยทั้งที่มีเยอะมีมากนะพังพร้อมด้วยวัตถุแต่ว่าเหนื่อยเครียดนะกลุ่มสับสนอ่อนล้าบางทีถึงกับซึมเศร้าเดีนะ๋ยวนี้ก็คนที่เป็นโรคซึมเศร้าถึางขั้นคิดสั้นนี่มีเยอะมากทีเดียวทั้งที่มีอะไรต่ออะไรมากมาย บางคนไม่ได้มีแค่รายได้ที่สูงแต่ยังมีความสำเร็จได้เหรียญตราได้กล่องได้รางวัลมากมายเป็นที่เชิญหน้าชูตาแต่ว่าไม่ว่ามีมากเท่าไหร่นะไม่ทำให้ตัวมีความสุขเลยจริงๆแล้วศิลปะในการดำเนินชีวิตนะหรือจะเรียกว่าเป็นเป็นหลักนะในการดำเนินชีวิตที่ จะเอื้อให้เกิดมีความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่มีมากนะแต่คือการมีให้น้อยลงมีให้น้อยลงมันหมายถึงการลดทอนตัดทิ้งนะมันสวนทางกับค่านิยมของสังคมปัจจุบัน ถ้าอยากให้มีมากมีอยางมีมากๆเนี่ยสุดท้ายมันก็ไหลไปตามกระแสโลกหรือถูกกระแสโลกพัดพาไปจนจนหมดสภาพนะเหนื่อยล้าถ้าหากว่าอยากจะมีชื่อที่ผาสุกไม่ถูกกระแสโลกพัดพาไปเนี่ยมันต้องกลับมาตั้งหลักใหม่นะ แทนที่จะถือกติว่ามีมากๆหามาให้เยอะๆต้องทำตรงข้ามนะมีให้น้อยหรือถึงแม้จะสิ่งที่มียังไม่น้อยแต่ก็หามาให้น้อยลงลดทอนตัดทิ้งลดทอนตัดทิ้งอะไรนะสิ่งที่ไม่จำเป็นของชีวิต ว่านี่ไม่ช่วยทำให้จิตใจเนี่ยโปร่งเบาชื่อเป็นอิสระได้มากเลยนะเป็นเพราะคนต้องการมีมากๆมีเยอะๆมันก็เลยอยู่ในอำนาจการข้อมงำของกระแสะโลกตอนเมื่อเราเนี่ยไม่คิดจะมีมากนะแต่เริ่มที่จะมีให้น้อยลงตัดทอน หรือว่าลดทอนสิ่งที่ไม่สำคัญที่จริงการที่จะมีให้น้อยลงก็จะเป็นเรื่องยากนะสำหรับคนในสมัยปัจจุบันแต่ว่าถ้าเริ่มต้นจากการที่ลดทอนตัดทิ้งสิ่งที่ไม่สำคัญสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยถ้าเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ชีวิตเนี่ยพอจะหายใจหายคอได้คล่องขึ้นเอาง่ายๆในเริ่มตั้งแต่การ ลด ถ, ถอนการบริโภคเลยเพราะการกินเนี่ยเพราะทุกวันนี้เนี่ยเรากินกันมากกินกันเยอะเพราะว่ามันมีความพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์แล้วเราก็ไม่รู้ตัวนะว่าที่กินที่กินทุกวันนี้เนี่ยมันมันเยอะเกินความต้องการของร่างกาย และสิ่งที่ตามมาคือความเจ็บความป่วยป่วยด้วยโรคนานาชนิดเพราะเรากินมากไปอาจารเราเริ่มต้นจากวก่า ก, กินให้น้อยลงนะงเช่นกินน้ำตาลให้น้อยลงกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงก็มันจะดีต่อสุขภาพมากเลยบางคนอจะคิดว่าโอ๊ยอันก็กินน้อยอยู่แล้ว แต่ว่าเอาชข้าจริงๆเนี่ยที่คิดว่าน้อยเนี่ยมันยังมากอยู่ยิ่งพอมีอายุมากนะอาจจะไม่รู้ตัวว่าที่กินเนี่ยและคิดว่าน้อยเนี่ยที่จริงหรือคิดว่าพอดีที่จริงมันยังมากอยู่ธรรมาเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยเป็นคนที่กินอะไรมากอยู่แล้วกินจุกกินจิกก็ไม่ไม่ค่อยมีนะของหวานก็ชันน้อย แต่พอไปตรวจเลือดอ่ะบอกว่าน้าตาลสูงแสดงว่าแปลงว่าไอท้ที่กินที่ฉันนี่มันยังเยอะอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าพอเริ่มมีอายุมากนะไอ้สิ่งที่คิดว่าพอดีพอดีเนี่ยมันไม่ใช่พอดีแล้วมันกลายเป็นมากนั้นสิ่งที่ต้องทำคือลดนะลดน้ำตาลลดไขมันลดเนื้อสัตว์ แรกจริงไม่ต้องรอให้มีอายุมากนะแม้จะยางเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยไอการลดการบริโภคเนี่ยลดการกินเนี่ยโลยเพราะอาหารที่มันเต็มไปด้วยไขยมันน้ำตาลของหวานพวกนี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะในเรื่องของการลดเนี่ย นอกจากลดการกินการบริโภคแล้วเนี่ยบางทีเราต้องลดอย่างอื่นด้วยเราถึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องพูดถึงลดการกินเหล้าการเที่ยวกลางคืนบางคนก็บอกฉันไม่ได้ยุ่งกับซึปรื่องพวกนี้เลยเนะแต่ว่าลองสํารวจชี้องตัวเราอาจจะเพราะว่ า, วาเรามีหลาย่ อ, อย่างที่เรายัางทํามากอยู่เราควรจะลดเช่นการบริโภคข้อมูลข่าวสารก า, ารเสพข้อมูลข่าวสารเนี่ย ปี น, นี้ข้อมูลข่าวสารมันมีเยอะมากเลยนะแต่ก่อนนี่เราก็มีแค่อ่านหนังสือพิมพ์1ฉบับวันหนึ่งก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์1ฉบับหรือ2ฉบับฟังข่าวทางโทรทัศน์บางวิทยุบ้า ง, างไม่นานนะแต่เดือนนี้มันมีช่องทางให้เสพข้อมูลข่าวสารนี่เยอะไปหมดเลยและคนก็ไม่รู้ตัวนะเพราะว่ามันมีสิ่ง ที่กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากมายนะสื่อนานาชนิดเนี่ยก็มีสิ่งยั่วยวนกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเราที่ทำให้เราอดไม่ได้ที่จะต้องเสพต้องอ่านต้องดูอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะที่เราต้องรู้จักลดรู้จักละนะรู้จักเลือกพอไม่งั้นหมดเวลา ทำให้เราไม่สามารถจะทำในสิ่งที่สำคัญของชีวิตได้แล้วก็มีสิ่งที่ไม่จำเป็นหลายอย่างนะที่เราเนี่ยกวรจะใคร่ครวญมีบางคนเนี่พบ ว, ว่านเนี่ยวันวันหนึ่งเสือเวลาแต่งตัวนี่เยอะมากเลยแล้วพอเขาเริ่มที่จ ะ, ะลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยเขาก็หันมาแต่งตัวให้เรียบง่ายมากขึ้น ไปทำงานก็มีใส่เสื้อโปโลสีดำหรือว่าเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบใส่กี้ทุกวันทุกวันก็เพราะช่วยมันง่ายขึ้นแต่ก่อนนี่เสียเวลามากนะเช้านี่จะต้องแต่งใส่เสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไรนี่ผู้ชายนะยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็ยิ่งแล้วใหญ่ แต่เวากว่าพอแต่งตัวให้มันเรียบง่ายมากขึ้นใส่เสื้อยืดหรือว่าใส่เสื้อโปโลทุกวันสีเดียวกันหมดกางเกงก็กางเกงยืนทุกวันว่าช่วยมันเรียบง่ายมากขึ้นหยิบเสื้อตัวไหนก็ใส่ได้ทันทีนะเพราะว่าเสื้อสีเดียวกันหมด กางเกงก็เหมือนกันนะหยิบตัวไหนก็ใส่ได้ทันทีเลยเพราะว่าสี้เดียวกันหมดไม่ต้องคิดนะว่าวันนี้ต้องใส่เสื้อซื้ออะไรกางเกงซื้ออะไรอันนี้เป็นวิธีการลดทอนนะสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคือเวลาที่หมดไปกับการแต่งตัวมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะ น, นก็เป็นผู้หญิงนะแล้วก็เป็นนักธุรกิจเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคม ตอนหลังก็มาสนใจธรรมะแล้วพบว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำให้สิ้นเปลืองเวลามากคือการแต่งกายรวมทั้งแต่งหน้าแต่งตาจะเลยตั้งบรรดาภวาเนี่ยเสื้อผ้าที่มีเนี่ยจะมีไม่กี่ชุดไ ม, ม่ไม่กี่ตัวถึงเวลาไปงานไปทำงานหรือไปไปงาน้วก็ตามนี่ไม่ต้องคิดมากนะ ก็มีเสื้อไม่กี่ตัวอยู่แล้วที่จะให้เลือกอันนี้เป็นวิธีการลดทอนนะลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นแลไม่ใช่แค่นั้นนะเดี๋ยวนี้คนหลายคนเนี่ยชอบทำอะไรมากมายอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการพิสูจน์ความสามารถเนี่ยชันเก่งบางคนนี่เขียนหนังสือก็เขียนเป็นพิธีกรก็เอา ครีเอทีฟโฆษณาก็ไม่ทิ้งโอ้ทำหลายอย่างเพราะเป็นคนเก่งแต่ว่าทาไปทาไปรู้สึกเหนื่อยล้าต้องก็ถามตัวว่าทําไปทําไมเพื่อต้องการพิสูจน์ให้คนรู้ว่าฉันเก่งแค่นั้นเหรอการทําอะไรเยอะๆแล้วมันทําให้เราภูมิใจว่าได้ทําเยอะเท่านั้นเหรอ จะไม่ดีกว่าเลยถ้ า, ยากว่าเราจะทำในสิ่งที่สำคัญนะสิ่งที่เราชอบแล้วก็ทำให้มันดีเน้นคุณภาพไม่เอาปริมาณแล้วก็ลดนะลดงานหลายอย่างไม่เอาละจะเลือกเฟ้นทาแต่สิ่งที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็เพราะว่าช่วงนี้มันง่ายมากขึ้น มีพลังสร้างสรรค์มากขึ้นไม่เหนือ่อยไม่ไล้าไม่เคร่องเหมือนเมื่อก่อนนี่ก็เป็นศิล ป, ปะนะในการลดการทอนในการทำให้น้อยลงซึ่งมันสวนทางกับกระแสะโลกนะที่ต้องทำให้เยอะมีให้มากเสพให้เยอะๆมันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยการกระตุ้นเราให้ เสพมากๆท้าสุดท้ายก็เหนื่อยล้าบางทีการทวนกระแสโลกก็จำเป็นนะด้วยการทาให้น้อยลงบริโภคให้น้อยลงเสพให้น้อยลงอะไรที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งมันเสียรวมทั้งไอกิจกรรมทางสังคมหลายอย่างนะเช่นการสังสรรค์คนก็หมดเวลาไปกับสิ่งนี้เยอะนะทั้งที่มันก็ไม่จำเป็นเลย แต่ว่ามันอาจจะเป็นสีสันของชีวิตแต่ถ้ามากไปมันก็ทำให้ไม่มีเวลาทำในสิ่งที่สําคัญปัญหาคือคนเราที่ก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญในชีวิตหรือว่าถึงรู้นะว่านี่คือเป้าหมายแต่ว่าเนื่องจากไม่ได้ใส่ใจเพียงพอมันก็เลยหมดเวลาไปกับหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็หมดเรื่องเมลไปกับอะไรต่ออะไรมากมาย อันเป็นเพื่อวันในศิละปะของชีวิตอย่างหนึ่งนะเด็กเพราะคนที่เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นเมื่อเราผ่านไปนานๆเนี่ยมันไม่ใช่การมีมากๆนะแต่เนี้ยให้น้อยลงหรือว่าเอาส่วนเกินออกไปมันมีศิลปินคนนึงมีชื่อชื่อดังมากนะเออชื่ออะไรคนก็คงรู้จักไมเคิลแองเจโลเขาเป็นทั้งนักวาดแล้วก็เป็นนักแกะสลักนะเป็นประติมา ก, กร ผลงานแกะสลักเขาหรือผลงานประติมา ก, กรรมก็นี่เยอะมากนะแล้วก็แต่ละชิ้นนี่ผลงานเนี่ยเหมือนกับคนมีชีวิตเลยนภาพประติมา ก, กรรมที่มีชื่อของเขาภาพอันนี้คือเดวิดนะใครเห็นแล้วก็อดทึ่งไม่ได้นะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นมีอีกหลายมีอีกหลายชิ้นนะ ที่คนเห็นแล้วก็ตะลึงในความงดงามในภาพเดวิดเนี่ยปฏิม า, าพิลป์ชิ้นงานเนี่ยเดวิดเนี่ยคนนึกไม่ถึงนะเขาแกะสลักจากแท่งหินอ่อนขนาดห้าเมตรซึ่งผ่านมือช่างมาแล้วสองคนแต่ทำไม่สำเร็จนะ แต่ก็ทำให้แท่งหินอ่อนนี่มันเสียรูปยับเยินไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถจัดสลักให้เป็นรูปที่สวยงามมีพลังได้เมื่อคนมีชีวิตแลก็เคยมีคนถามนายเคยเื่อจูเล่วันนีผลงานเขาทามันสวยงามอย่างนี้เขาทาได้อย่างไรแล้วก็ตอบว่าเนี่ยผมก็แค่จินตนาการว่าปฏติมา ก, กรรมเนี่ย มันอยู่ในแท่งหินอ่อนแล้วสิ่งที่ผมทำคือแค่แกะสลักเอาส่วนเกินออกมานสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือภาพปฏะติมา ก, กรรมนะที่งดงามนะเคล็ดลับของเขาคือแกะสลักส่วนเกินพอแกะสกส่วนเกินก็ได้ภาพได้ผลงานที่งดงามชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะ เราที่มีชีวิตที่งดงามเนี่ยมันก็ต้องรู้จักสลัดเอาส่วนเกินออกไปเอาสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีนะและทําให้เราสามารถที่จะทําสิ่งที่ดีงามได้และจะว่าไปมันก็สอดคล้องนะกับชีวิต ท, ที่เจริญงอกงามในทางธรรมนะชีวิต ท, ที่เจริญงอกงามในทางธรรมเนี่ย มันต้องอาศัยการลดการละส่วนทางกับทางโลกเนีวความเจริญทางโลกนี่มันต้องมีเยอะๆแต่ว่าทางธรรมคือการลดการละลดละสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองหรือว่าสร้างความทุกข์เช่นนั้นนะคือกิเลสคืออารมณ์อกุศลไม่ว่าจะเป็น ความโลภเนะี่ยเป็นความโกรธเนี่ยเป็นความอิจฉาพยาบาทแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือการลดละความอยากซึ่งก็เกิดขึ้นได้นะจากการให้ทานกนะให้ทานนี่ก็เป็นการสละเมื่อสละมันก็ช่วยลดความตนหนี มันก็ช่วยลดความยึดติดถือมั่นในสิ่งของนั้นมันก็เป็นการทวนกระแสความโลภและยิ่งลดละมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นอาจจะลดละกิเลสไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่าถ้าทำให้มั น, มนเบาบางลงรวมทังรู้จักลดละสลัดวางอารมณ์ความสึกนึกคิดต่างๆ ที่ทําให้เป็นทุกข์เรื่องนี้ต้องอาศัยการภาวนาเโดยเพราะการเจริญสติรู้ทันความคิดและอารมณ์หัวใจการเจริญสติเนี่ยหรือหัวใจการภาวนาไม่ใช่เป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยหัวใจมันคือการลดการและการวางอาจจะลดละความคิดและอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาครั้งคราวหรือไปถึงขั้นลดความทีดติดถือมั่นในสิ่งทั้งปวง ถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยนะสิ่งที่ตามมาคือความสุขคือความสงบเย็นและนี่คือสิ่งที่เป็นเครื่องชี้วัดนะการปฏิบัติธรรมว่าก้าวหน้าแค่ไหนรวมทั้งเป็นเครื่องที่บ่งชี้ถึงความเจริญงอกงามของชีวิตจิตใจด้วยเมื่อถ้าพิจารณาดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวในทางโลกหรือทางธรรมเนี่ย สิ่งสำคัญคือการลดการละการสลัดการตัดทอนไม่ใช่การมีมากๆไม่ใช่การหามาให้ เ, ย, เยอะๆมันไปด้วยกันเลยนะจากการที่ละทิ้งสลัดส่วนที่เกินออกไปหรือสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อที่เราจะได้มีเวลาและพลังงานในการที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์ อาจจะเริ่มต้นจากการทำสิ่งทางานที่มีคุณค่าที่รักแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติธรรมนำไปสู่การฝึกจิตฝึกใจเพื่อเกิดการละที่ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยการที่จะไม่ปรารถนาที่จะมีมากๆหา ม, มาให้ได้เยอะมันก็จะไม่ใช่เรื่องยากต่อไปมันจะเป็นไปเองเพราะว่าความสุขไม่ได้พึ่งพาอาศัย สิ่งเสพอีกต่อไปไม่ไปต้องอาศัยสิ่งกระตุ้นแล้วนะจากวัตถุเพราะความสุขเกิดขึ้นแล้วภายในเป็นความสุขที่เกิดจากการปลอดซึ่งกิเลสหรือปลอดอารมณ์เครื่องเศร้าหมองหรือปลอดอวิชชาคือความยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งปวงเนีย่ยเครื่องชี้วัดเนี่ยความสําเร็จอ่าความความก้าวหน้านในการปฏิบัติธรรมเนี่ยจุดที่สวยก็คือตรงนี้แหละ คือชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องพึ่งพาวัตถุมากอย่างพระอาหารหันต์นี่ท่านก็เป็นแบบอย่างนะของผู้ที่อยู่ได้โดยที่พึ่งพาวัตถุสิ่งเสพน้อยมีแค่อัต บ, บริขารก็สามารถจะมีความสุขได้เพอชีวิตนี้ไม่ได้พึ่งพาวัตถุสิ่งเสพหรือว่าสิ่งภายนอกนะ เนื่องจากได้เข้าถึงความสุขภายในเป็นความสุขที่เกิดจากการสลัดเกิดจากการวางเกิดจากการละความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆอันนี้มันก็เป็นขั้นตอนนะที่เราสามารถจะเริ่มต้นได้จากการที่เราลดถอนตัดทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตของเราลดภายนอกและนำไปสู่การลดละภายในซึ่งมีผลก็คือความสงบเย็นเป็นอิสระ อันนี้พุทธินินะครับ